16กุมภาพันธุ์พุทธศักราช2544ก็25อขอเจริญพร <c oughs> วันนี้คุณพ่อคุณแม่พร้อมทั้งญาติมิตรท่านที่เคารพนับถือได้มาร่วมทาบุญกับคุณพิน ญ, ญาและคุณคริสเตียน ในโอกาสของงานมงคลสมรสการทำบุญวันนี้เป็นการทำบุญในการแต่งงานซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งจะให้บุญคือความดีนี่เป็นเครื่องส่งเสริมเชิดชู ชีวิตสมรสต่อไปภายหน้าการทำบุญอย่างนี้ก็เป็นธรรมมงคลคือถือว่ามงคล น, นั้นมีสองอย่างมงคลที่เรารู้จักกันทั่วไปนั้นก็เรียกว่าพิธีมงคลพิธีมงคลก็คือในด้านกิจกรรมเราจัดกิจกรรมให้เป็นที่รับรู้กัน ของสังคมเป็นรู ป, ปรธรรมที่มองเห็นเมื่อทำได้ถูกต้องแล้วเราก็สบายใจว่าระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีของสังคมมีมาอย่างไรเราก็ได้ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเป็นเครื่องละลึกต่อไปภายหนะ้า เมื่อเราได้ถูกทำถูกต้องปฏิบัติดีแล้วก็จะได้ความประทับใจระ ล, ลึกเมื่อใดก็เป็นเครื่องเตือนใจตัวเองคือทั้งให้เกิดความระลึกได้ความสุขมีความปีติอิ่มใจเป็นต้นแล้วก็ไปเครื่องเตือนใจเราให้เห็นความสําคัญของชีวิตแต่งงานที่เราจะต้องพยายามดํารงรักษาให้มีความ สุขความเจริญมัน่นคงอันนั้นเป็นด้านที่เรียกว่าพิธีมงคลแต่อีกด้านหนึ่งก็คือธรรมมงคลธรรมมงคลก็คือมงคลที่เกิดจากธรรมะเป็นส่วนของนามธรรมเป็นเรื่องของความดีงามความรู้ความเข้าใจทั้งความดีคือคุณสมบัติในจิตใจความรู้สึกต่อกัน และความรู้ความเข้าใจเช่นความเข้าใจต่อความมุ่งหมายของชีวิตสมรสเป็นต้นทั้งหมดนียเป็นด้านที่ว่าถ้าถูกต้องดีแล้วก็จะเป็นธรรมมงคลจะเป็นเครื่องช่วยให้ชีวิตสมรสนั้นมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นด้านธรรมมงคลนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในทางศาสนา นอกจากว่าเราประกอบพิธีมงคลแล้วก็จะต้องมีธรรมมงคลและธรรมมงคลนี้เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติต่อไปตลอดชีวิตพิธีมงคลเราปฏิบัติก็จบเสร็จในวันนี้พรุ่งนี้แต่ธรรมมงคลนั้นก็ยังอยู่คู่กับชีวิตเราตลอดไป นี่ธรรมมงคลหรือมองคลเกิดจากธรรมะเกิดจากความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความดีคุณสมบัติต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญในเรื่องของชีวิตสมรสธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้เราประพฤติปฏิบัติก็มีมากมายแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือการแต่งงานเนี่ย ในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นซึ่งหมายถึงการที่บุคคลสองคนได้มามีชีวิตร่วมกันนอกจากมีชีวิตร่วมกันแล้วก็มีความรับผิดชอบร่วมกันด้วยในทางโบราณก็ถือว่าเป็นการที่เริ่มต้นมีชีวิตเป็นผู้ใหญ่เป็นหลักเป็นฐาน เคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยดูแลรับผิดชอบต่อไปนี้จะต้องรับผิดชอบตัวเองแม้แต่ในทางหลักธรรมสำคัญในชีวิตร่วมกันที่เป็นความดีงามความประพฤติของบิดามารดาที่เราเรียกว่าหลักพรมวิหารสได้แก่เมตตากรุณามุ้ทีตาอุเบกขา ท่านก็ให้หลักไว้ว่าพอลูกแต่งงานในพ่อแม่ก็ใช้หลักสามข้อแรกเนี่ยน้อยลงจะเน้นในข้อที่สีเพราะถือว่าลูกจะต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองแล้วแล้วก็มีความสามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตของตนได้แต่ก่อนนี้ก็ ต้องคอยดูแลเอาใจใส่คอยเลี้ยงแล้วก็คอยดูแลความทุกข์ยากลําบากจะต้องแก้ไขปัญหาให้แล้วก็จะต้องคอยส่งเสริมในการเล่าเรียนศึกษาเป็นต้นต่อไปนี้ก็ให้ลูกรับผิดชอบตัวเองเพ่อแม่ก็มาหนักในข้ออุเบกขาอุเบกข า, าก็หมายความว่าวางใจเป็นกลางคอยดูอยู่ คอยดูอยู่ไม่ได้ทอดทิ้งแต่ว่าไม่เข้ามาก้าวกายแทรกแซงเพราะว่าชีวิตของคู่แต่งงานตอนนี้เขาต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วพ่อแม่จะเข้ามาแทรกแซงวุ่นวายก็กลายเป็นเสียไปนี่ก็หมายความว่าแม้แต่ความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเปลี่ยนนี่การรับผิดชอบตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญ การมองความหมายของชีวิตสมรสนั่นก็มองได้หลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็คือความรักความรักนี้ก็เป็นคำที่เราสืบเนื่องต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่เราจะมีชีวิตครอบครัวนั้นมีคนที่เป็นศูนย์กลางสาคัญที่ ให้ความรักต่อเราก็คือคุณพ่อคุณแม่ความรักมีความหมายอย่างไรก็ดูที่คุณพ่อคุณแม่ความรักที่แท้ของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็มีความหมายว่าอยากให้ลูกเป็นสุขอันนี้ความรักแบบนี้ก็เป็นความรักที่เราถือเป็นคุณธรรมช่วยพดุงรักษาทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุข ถ้าคนเรามีความรักแบบนี้คืออยากให้คนอื่นเป็นสุขเนี่ยเราก็จะต้องพยายามทำให้เขาเป็นสุขคือพออยากให้เขาเป็นสุขก็อยากเห็นเขาเป็นสุขเมื่อเขายังไม่เป็นสุขก็อยากทำให้เป็นสุขพอเห็นเขาเป็นสุขแล้วเขาเป็นสุขได้สมใจเราเราก็มีความสุขไปด้วยความสุขแบบนี้เรียวกว่าความสุขแบบร่วมกัน คือสุขทั้งสองฝ่ายลูกก็เป็นสุขแม่ก็เป็นสุขหรือว่าความสุขของคุณพ่อคุณแม่นั้นบางทีก็เหมือนกับมาฝากไว้กับลูกว่าถ้าลูกไม่สุขเป็นทุกข์ก็พ่อแม่ก็ปล่อยเป็นทุกข์ไปด้วยอันนี้ก็เป็นความรักที่เราเรียกกั น, นว่าเมตตาแต่ว่าเราก็ต้องทําความรู้จักว่าที่จริงความรักนี่ยังมีอีกแบบหนึ่งก็หมายความว่ารวมแล้วความรักในมีสองชนิด ความรักอีกประเภทหนึ่งก็คือความรักที่ถูกใจพอใจอยากได้เขามาเพื่อให้ตัวเราเป็นสุขเพื่อให้ชัดจะแย ก, กความรักแบบแรกที่พูดไปแล้วก็ย้ำสักทีหนึ่งว่าความรักแบบที่หนึ่งอย่างของคุณพ่อคุณแม่ก็คือความรักอยากให้เขาเป็นสุขอันหนึ่งอยากให้เขาเป็นสุขอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้เราเป็นสุข จะอยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุขนี้ความรักแบบอยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุขเนี่ยก็เป็นความรักที่ต้องระวังถ้าหากว่าเราไม่พัฒนาตัวเองพูดง่ายๆคือไม่ทําให้ความรักแบบที่อยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยมาเกิดขึ้นในใจของตัวเองด้วยเนะนี่ยความรักแบบ อยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุขนี่อาจจะเกิดปัญหาเพราะว่าเป็นความรักประเภทที่พูดง่ายๆคือยังมีความเห็นเกตตัวถ้าเรามีความรักประเภทนี้อย่างเดียวต่อไปก็จะเป็นทางมาของความขัดแย้งและปัญหาก็คือจะมีการเรียกร้องและมุ่งเพื่อตอนเองเพราะฉะนั้นคนที่จะมีชีวิต ที่เกิดความรับผิดชอบในการสร้างสารรค์ให้เกิดความเจริญงอกงามก็จะต้องพัฒนาความรักแบบที่เป็นคุณธรรมที่คือความอยากให้เขาเป็นสุขที่ขึ้นมาให้ได้ซึ่งถ้าเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจิตใจดีงามเนี่ยความรักประเภทนี้จะมีเป็นชื่นใจอยู่ด้วยพอมีความรักประเภทว่าถูกใจพอใจแล้วก็จะไปนหนุนความรักที่อยากให้เขาเป็นสุขให้เกิดเพิ่มขึ้น ก็เลยความรักสองอย่างเข้าไปด้วยกันก็จะเป็นเครื่องช่วยดํารงรักษาให้ชีวิตที่มีความรับผิดชอบร่วมกันได้อยู่ไปได้นั้นการมองชีวิตสมรสหรือการแต่งงานเนี่ยเราจึงไม่มองแค่เพียงว่าเป็นการที่ได้มาสนองความฝ่ายปรารถนาความสุขของตนเองแต่มองในแง่ของการที่ได้มาร่วมกันในการทําการสร้างสรรค์ ความเจริญงอกงามอย่างใดอย่างหนึง่งใช่ว่าอาจจะมองไปที่ชีวิตของเราที่มาอยู่ร่วมกันเรามาช่วยกันสร้างสารรค์ให้เกิดความเจริญงอกงามมันคงยิ่งขึ้นไปหรือว่ามองแม้กระทั่งว่าเรามีจุดหมายที่ดีงามของชีวิตเรามีจุดหมายเพื่อสังคมอะไรต่งตางๆนี่การแต่งงานก็เท่ากับว่าได้กำลังสองคนมาเพิ่มแต่ก่อนเราทาคนเดียวเรามีกาลังน้อย ก็ทําได้จํากัดพอเรามีสองคนเราก็ร่วมแรงร่วมกําลังกันก็ทําได้มากขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าการแต่งงานนั้นเป็นการรวมกําลังมาทําการสร้างสรรค์แล้วก็มีจุดหมายที่จะทําต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งงานนี้ก็เป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตนเองด้วยหมายความว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยเราจะต้องทําชีวิตให้ ดีงามยิ่งขึ้นในการอยู่ในโลกให้ประสบความสำเร็จพฤติกรรมกายวาจาของเราก็ต้องพัฒนาจิตใจของเราเช่นความเพียรความอดทนความรับผิดชอบความมีสติความมีสมาธิความเข้มแข็งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาแล้วก็ปัญญาความรู้ความเข้าใจความสามารถในการคิดพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะ อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องพัฒนานการมามีชีวิตแต่งงานได้รับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบตั้งแต่ชีวิตของตนเองและร่วมกันสร้างสารรค์ต่างเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดถ้าเรามองชีวิตแต่งงานอย่างนี้ก็จะมีความหมายมากขึ้นคือไม่ใช่มองแค่ว่าการที่เราได้จะได้มีความสุขสมความปรารถนาของตนหรืออะไรทำนองนั้นถ้าเรามองจากัดแค่นั้น ก็จะเป็นปัญหายิ่งยุคนี้เป็นยุคที่สังคมเนี่ยมีปัญหามากปัญหาในแง่ที่ความสับสนไม่ลงตัวด้วยคือมีความคิดใหม่ๆขึ้นมาซึ่งยังถกเถียงกันมากแม้แต่อย่างเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องสิทธิมนุษยชนนีก็เป็นเรื่องที่วุ่นพ้อสมควรว่าอะไรแค่ไหนสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องของการมอง ที่ในแง่นหนึ่งก็เน้นเรื่องตัวเองด้วยก็หมายความว่าเราจะต้องระวังไม่ให้คนอื่นมาล่วงล้ำสิทธิของเราแต่พร้อมกันนั้นมันก็ต้องหมายถึงการมองผู้อื่นด้วยว่าเขามีสิทธิอะไรที่จะไม่ต้องที่เราไม่ควรไปก้าวไายแทรกแซงแต่มันจะเป็นการมองที่ค่อนไปในทางลบนิดหน่อยคือคอยดูว่าใครมีสิทธิแค่ไหน ถ้ากว่เาเป็นคนอื่นเขาทาเราก็ดูแค่ว่าเขามีสิทธิแค่นั้นแล้วก็พอได้แค่นั้นก็จบเลิกนี่ในแง่ตัวเองก็อย่ามาลุก ล, ลามสิทธิของฉันหรือว่าฉันมีสิทธิฉันก็เรียกร้องเอาให้ได้อย่างนี้ซึ่งในแง่นี้มันเป็นหลักประกันให้มนุษย์เนี่ยมีสังคมที่ไม่เดือดร้อนเกิดไปแต่ว่าค่อนข้างแห้งแลง้ง จะไม่ค่อยมีน้ำใจไม่ค่อยมีความสุขถ้าหากว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเพียงเพื่อตามสิทธินี่ก็คงยุ่งนะก็ดูว่าเออลูกของเรามีสิทธิอะไรบ้างจะได้อะไรแล้วทำให้แค่นั้นตามสิทธินะก็คงจะไม่ได้ชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขร่มเย็ยนแนนะ่แต่ว่าพ่อแม่เนะี่ยก็ไม่ได้คำนึงถึงสิทธิแต่ว่าทำให้ลูกด้วยความรักอยากให้ลูกเป็นสุข แม้ตัวเองจะลําบากจะทุกข์พ่อแม่ก็ยอมนีแล้วบางทีถ้ายิ่งความรักมากแม้แต่การที่ตัวต้องเรียกได้ว่าเสียสละหรือเป็นทุกข์ลาบากนั้นพ่อแม่ก็เป็นสุขเป็นสุขเพราะเห็นลูกเป็นสุขหรือเพราะอยากทําให้ลูกเป็นสุขก็เช่นเดียวกันละคนที่มีจิตใจที่มีความรักเพื่อนมนุษย์ความรักคนอื่นอยากเห็นคนอื่นเป็นสุขเนี่ย ก็ทําได้ให้แก่คนอื่นได้เจนกระทั่งตัวเองเนี่ยลำบากหรือว่าต้องเสียสละมากแล้วเกิดแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเพราะเขามีความสุขที่จะทําอย่างนั้นอันนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของคุณธรรมนี่เรื่องสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นหลักประกันเบื้องตน้นอย่างที่ว่าเพื่อเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกันว่าเออคนเราเนี่เขาจะมีชีวิตที่ดีอย่าให้เขาเดือดร้อนเ้องให้เขามี ได้ตามสิทธิมนุษยชนนั้นแต่ถ้าทำกัแค่นั้นแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็อยู่กันได้ความแห้งแลง้งอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องสิทธิมนุษยชนก็โยงไปเรื่องสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงระหว่างชายอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงในสังคมแต่ว่าเราคงอยู่แค่นั้นไม่ได้สมัยที่ในอเมริกาเนี่ยกลังเริ่ม พูดกันเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงระหว่างชายกันมากสักสิบกว่าปีไปเนี่ยเคยอ่านนะบอกว่าคู่แต่งงานคู่หนึ่งเขาตกลงกันได้แล้วเขาก็มาเขียนอวดเขาบอกว่าเราได้ตกลงกันว่าเออเรามีลูกเนี่ยเราสองคนเนี่ยฝ่ายหญิงฝ่ายชายจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไรให้เท่ากันเพื่อความเสมอภาค ก็บอกว่าผลัดกันสักพ่ออ้อมให้ลูกคนละหวันเจดวันผลัดกันเลี้ยงคนละหวันเจ็วันนั้ว่าให้เสมอภาคกันนอันนี้เขาก็พอใจว่าเขาได้ตกลงกันสำเร็จเป็นความเสมอภาคเนเราอ่านแล้วเราก็มาคิดว่าอ๋อนี่เขามองเรื่องสิทธิความเสมอภาคจนกระทั่งลืมไอ้จุดหมายของการเลี้ยงลูกหรือ ย, อยังไง ว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยจุดหมายมันควรจะอยู่ที่ลูก<ม>เพื่อให้ชีวิตของลูกเป็นสุขเพื่อให้ชีวิตของลูกดีงามจเจริญเติบโตอย่างดีเนี่ยเราควรจะทำยังไงมันควรจะเน้นไปที่นั่นมากกว่าว่าเออลูกของเรานี่นะต้องการอะไรต้องการแม่แค่ไหนต้องการพ่อแค่ไหนนะแล้วก็ทำไงจะเลี้ยงให้ลูกเนี่ยเป็นสุขจเจริญเติบโตอย่างดีทำอย่างนั้น แทนที่จะมาแบ่งเอาว่าเออฉันเป็นฝ่ายชายฉันเป็นฝ่ายหญิงมีสิทธิเท่านั้นมาแบ่งกันพอดีเท่ากันแล้วก็จบเลยมองข้ามเรื่องจุดหมายของการเลี้ยงลูกแล้วก็มองข้ามลูกไปด้วยนีคือมัวมัวมัวแต่คิดถึงไอ้สิทธิส่วนตัวซะอย่างนี้ถ้าเรามองไปอีกทีก็คือคนเนี่ยเริ่มจะเห็นแก่ตัวมากแทนที่ว่าจะทําเพื่อจุดหมายที่ดีงามบางอย่างแล้วก็ทําได้ และโ ด, โดยตัวเองก็มีความสุขด้วยอย่างที่พระมีการศึกษาการพัฒนาตัวเองเนี่ยเราก็พัฒนาไปสู่ความหมดตัวใช่หมไอ้หมดตัวนะี่มันมีความหมายสองอย่างหมดตัวในแง่หนึ่งก็คือว่าหมดเงินทองไม่มีเหลือไม่มีจะใช่งี้ก็หมดตัวทีนี้หมดตัวอีกอย่างก็คือหมดความยึดถือในตัวตนจุดหมายของการพัฒนา ชีวิตของคนเราในฐามศาสนาเนี่ยก็พัฒนาไปได้จกนกระทั่งหมดความยึดถือในตัวตนนะเพราะนั้นพระอาหารหันต์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่ไม่มีอะไรจะต้องเอาเพื่อตัวเองแต่ที่จริงก็คือตัวเองนะ่ะมีความสมบูรณ์มีความสุขมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมแล้วนะก็เลยไม่ต้องคำนึงถึงตัวเองท่านเรียกว่าไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองต่อไป ก็เดินทางไปจ่าลิกไปนอนกลางดินกินกลางสายยังไงก็ได้นึกถึงแต่ว่าเออคนนั้นเขาควรจะพัฒนาตัวควรจะได้รู้หลักธรรมนี่เขามีความทุกข์อันนี้คิดแล้วก็เดินทางไปเพื่อช่วยเขาไปสอนเขาก็ทำอย่างไงพระองค์ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียสิทธิ์เสียอะไรนี่ก็มีความสุขที่จะทําอย่างนั้นอันนั้นการคํานึงในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสุดโต่งไปขั้นหนึ่งก็ได้ ซึ่งมนุษย์จะต้องระวังคล้ายๆว่ามันเป็นหลักประกันของสังคมในขั้นเบื้องต้นหรือพื้นฐานแต่มันไม่ใช่เป็นเครื่องหมายของสังคมที่ดีสังคมที่ดีก็ต้องเจริญงอกงามไปกว่านั้นนีคืออยู่กันไม่ใช่เป็นเพียงการรักษาสิทธิการดูสิทธิแต่ว่าให้ได้เหนือกว่านั้นก็คือเป็นสังคมของความดีงามและคุณธรรมนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราต้องละทิ้งเราก็ต้องมีด้วย อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเรามาประสานกันลึกของความหมายของความรักอย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าเรามีแต่ความรักประเภทที่ว่าอยากได้เพื่อให้ตัวเองเป็นสุขมันก็จะต้องพูดกันมากเรื่องสิทธินีสิทธิของเขาสิทธิของเราจะเสมอภาคกันไม่อะไรแต่อะไรแต่ว่ามองไปในแง่หนึ่งมันก็จะเป็นไปเพื่อความแย่งชิงนี แล้วก็มีความขัดแย้งได้ง่ายแต่ถ้าเรายใจมีว่าความรักอีกประเภทหนึ่งคือความอยากให้เขาเป็นสุขตอนนี้เราไม่คำนึงถึงตัวเองและเรามีแต่คิดว่าเออทำไงจะให้เขาเป็นสุขเราก็พยายามทำเพื่ออย่างนั้นถ้าอย่างนี้แล้วก็มันก็ได้ความมีน้ำใจและความสดชื่นไม่แห้งแลง้งแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเรียกร้องสิทธิก็เป็นเรื่องความแห้งแลง้ง อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะดำเนินชีวิตให้เจริญงอกงามโดยชีวิตสมรสเนี่ยจะต้องมีความรักประเภทที่เราเรียกเป็นคุณธรรมและเมตตาหรือความรักความอยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยมาเป็นหลักใหญ่คือว่าอย่างน้อยก็ต้องพัฒนาไปสู่อันนี้แล้วก็ให้มีความรักประเภทนี้เข้ามาได้เป็นส่วนร่วม หรือว่าเป็นส่วนที่ให้เกิดดุลยภาพและก็ก้กาวไปสู่การพัฒนาในคุณธรรมหรือความรักประเภทนี้ให้ยิ่งขึ้นเพราะเมื่อคนเรามีความรักต่อคนใกล้ชิดอยากให้เขาเป็นสุขแล้วต่อไปก็พัฒนากว้างออกไปต่อเพื่อนมนุษย์อยากให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุขก็จะสามารถทําเพื่อผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นคือคนเราไม่ควรติดอยู่แค่การทําเพื่อให้ตัวเองเป็นสุขแต่ว่า ทำยังไงจะให้ผู้อื่นเป็นสุขได้คนที่คิดอย่างนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขกว้างออกไปด้วยนถ้าคนที่คิดแต่เพียงว่าทำให้ตัวเองเป็นสุขมันก็ได้แค่ว่าเมื่อตัวเองเป็นสุขหรือได้ตามต้องการก็มีความสุขเมื่อไรจะต้องทำเพื่อผู้อื่นหรือจะต้องให้ออกไปก็จะเป็นการสูญเสียก็เป็นทุกข์แต่คนที่แผ่ขยายความรักอันนี้ออกไป ความรักกว้างออกไปอยากให้คนโน้นคนนี้เป็นสุขพอทําให้คนนั้นคนนี้เป็นสุ ข, นนนนนสขแม้แต่ให้กับเขาที่เราเรียกว่าตามปกติเป็นการสูญเสียมันกลายเป็นการที่ทําให้ตัวเองเป็นสุขไปด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นคนที่สุขได้มา ก, ส, มากสุขได้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เป็นการพัฒนาความสุขของตัวเองไปด้วยนั้นเรื่องของชีวิตสมรสเนี่ยก็ไป็นอันว่าต้องมีความรักให้ครบสองประเภท กความรักประเภทที่หนึ่งก็ย้มอีกทีความรักพื้นฐานก็คือความถูกใจพอใจอยากได้เขาเพื่อให้เราเป็นสุขทีนี้ส่วนความรักประเภทที่สองที่เป็นคุณธรรมก็คือความรักอยากให้เขาเป็นสุขอยากเห็นเขาเป็นสุขและอยากทำให้เขาเป็นสุขซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถ้าพัฒนาไปก็จะช่วยให้โลกนี้ร่มเย็นเป็นสุข ยิ่งขึ้นก็ความรักทั้งสองประเภทนี้ก็จะต้องมีมาให้พร้อมอันนี้ก็ต่อไปก็จะทําให้เกิดให้ความรักที่เป็นคุณธรรมนี้ก็จะมาช่วยให้จุดมุ่งหมายของชีวิตสมรสนั้นก้าวต่อไปสู่ความดีงามที่เป็นการสร้างสารรค์ยิ่งขึ้นก็ ค, คือการที่แต่งงานนี้ไม่ใช่เป็นเพียง มาชีมีชีวิตคู่ครองเท่านั้นแต่หมายถึงการได้มารวมกําลังกันในการทําการสร้างสารรค์อะไรที่เป็นจุดหมายที่ดีงามของชีวิตของเราที่เราควรจะตั้งขึ้นแม้แต่การรวมกําลังทําเพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาติกว้างออกไปเนี่ยเราก็มีกําลังเพิ่มขึ้นและพร้อมกับ น, นั้นก็เป็นโอกาสและเป็นเวทีในการพัฒนาชีวิตของตัวเองด้วยเพราะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นตั้งแต่อยู่กันสองคนขึ้นไปเนี่ย ตัวเองต้องฝึกตัวเองต้องพัฒนาตัวเองนั้นวันนี้ก็เลยจะขอพูดถึงธรรมะที่เป็นหลักในการมีชีวิตครองเรือนสักชุดหนึ่งชุดนี้ก็เป็นหลักธรรมง่ายๆเรียกว่าคารวาสธรรมแปลว่าธรรมะสำหรับ ก, การคลองเรือนหรือการอยู่เป็นชาวบ้านนั่นเองนะก็มีสี่ข้อเดียกัน ข้อที่หนึ่งก็เป็นหลักง่ายๆก็เรียกว่าสัจจะสัจจะนี่ก็คือความจริงนั่นเองความจริงอันนี้เป็นรากฐานของชีวิตที่อยู่ร่วมกันคนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องมีสัจจะต่อกันสัจจะก็เริ่มอะไรก็เริ่มสัจจะความจริงใจก็มีความจริงใจต่อกันความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อกันความรักที่แท้ต่อกัน อันนี้ก็เริ่มจากในใจพอมีความจริงใจต่อกันแล้วก็ออกมาทางวาจาก็พูดจริงแล้วก็ออกมาทางกายกระทำก็คือทำจริงตามที่พูดอันนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องหวาดระแวงกันคนเราพอเริ่มทะเสียข้อนี้แล้วก็เรรวนงอนแงนหมดเพราะนั้นถ่านจึงเปรียบว่ามันเป็นเหมือนรากแก้วของชีวิตสมรส เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีความสักจ้หรือเริ่มละแวงในศักจะความจริงใจต่อกันเมื่อไหร่เนี่ยเริ่มงอนแงนทันทีไม่มัน่นคงเนั้นศักจ้าได้เป็นตัวรักษาฐานทําให้เกิดความมัน่นคงก็ต้องมีเป็นอันดับที่หนึ่งก็คือศักจะความจริงต่อไปนอกจากสักจะความจริงก็คือคนที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยจะต้องมีการปรับตัว เพราะาคนเราเมื่อมาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่เริ่มแต่แต่อยู่กับผู้อื่นย่อมมีความผิดแปกแตกต่างกับเป็นธรรมดานะแม้แต่สถานที่เราขึ้นบ้านใหม่เราอยู่ในบ้านใหม่เราก็ต้องมีความแปลกที่ต้องปรับตัวเข้ากับสถานที่บุคคลคนใหม่ก็ต้องมีการปรับตัว แม้แต่คนนั้นเราเรียกว่าอยู่เก่านานในบางทีก็ยังต้องมีอะไรที่เราอย่งแปลกตาเราอยู่อย่าว่าแต่คนอื่นหรือตัวเราเองบางทียังแปลกตัวเลยมีอะไรแต่อะไรก็เราเองเราก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราต้องคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงอันนี้หรือความแปลกใหม่ที่เราจะต้องปรับตัวนี่ความสามารถของคนอย่างหนึ่งก็พิสูจน์ได้ด้วยการรู้จักปรับตัว การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเนี่ยไม่ใช่เพียงเพื่ออยู่กันได้ดีเท่านั้นแต่เป็นการทดสอบตัวเองด้วยว่าเรามีความสามารถแค่ไหนในการที่จะอยู่ได้ดีในโลกนี้พัฒนาตัวเองได้แค่ไหนก็มาปรับตัวเมื่ออยู่กับคนอื่นก็ต้องปรับตัวแล้วก็ปรับใจเข้าหากันและการปรับตัวปรับใจนั้นต้องใช้ความเข้าใจนไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช่ความรู้สึก ใช้ความเข้าใจพยายามเข้าใจคนอื่นแล้วก็เข้าใจเมื่มเข้าเข้าใจก็ดีแล้วแม้อยังไม่เข้าใจก็พยายามเข้าใจโดยใช้วิธีการของปัญญาเช่นพูดจา ก, กันไม่ใช้อารมณ์ความวู่วามนั่นหลักธรรมข้อที่สองนี่ก็คือหลักที่ทะเลกว่าธรรมะการรู้จักปรับตัวนี่ปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงตนด้วย กำหมายความว่าอะไรที่อาจจะบกพร่องขาดไปเกินไปก็ปรับปรุงทำให้เกิดความพอดีโดยใช้ปัญญาเนี่ยรู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรเหมาะสมอะไรพอดีก็ปรับตัวให้ได้อย่างนั้นก็จะทำให้อยู่กันได้ได้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงตัวเองต่อจากนั้นว่าปรับปรุงตัวเองเข้าด้วยกันได้ดีแล้วปรับปรุงตัวปรับตัวเข้าสถานที่สิ่งแวดล้อมปรับตัวเข้ากับญาต พี่น้องตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งทั้งสองฝ่ายปรับตัวเข้ากับการงานอะไรต่างๆพอปรับตัวได้ดีก็เดินหน้าก็ปรับปรุงตนเองพัฒนายิ่งขึ้นไปตอนนี้ชีวิตก็เจริญงอกงามอันนี้หลักนี้ท่านเรียกว่าธรรมะข้อที่สองและฝึกภาษาไทยง่ายๆก็คือฝึกนั่นเองคนเหล่านั้นมีชีวิตเจริญงอกงามได้ต้องมีการฝึกตนคนไหนไม่ฝึกก็เจริญยาก นะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญก็จะเอาอะไรแต่ อ, อะไรมาเป็นเครื่องฝึกตนหมดเจอสถานการณ์ใหม่อะไรใหม่ๆ ม, มองว่าจะได้โอกาสฝึกตนเจอทุกเจอปัญหาก็คือแบบฝึกขัดในการฝึกตัวเองนั่นเองนะคนเราที่จะเก่งก็ต้องมีแบบฝึกหัดนักเรียนที่จะมีความสามารถเป็นคนขยันทาแบบฝึกหัดชีวิตคนที่เจริญงอกงามก็เป็นคนที่รู้จักทาแบบฝึกขัดเจอปัญหาไม่หยอดท้ เจอเรื่องที่ต้องทําไม่ถอยมองไปแบบฝึกหัดเอามาฝึกตัวเองให้หมดนีแล้วจะมีจิตใจที่ดีด้วยคือมีสุขภาพจิตดีถ้าคนที่ไม่ได้เตรียมใจไว้อย่างนี้พอเจออะไรยากเจออะไรต้องทําเจอปัญหาใจก็ท้อถอยเป็นทุกข์ไปหมดใจไม่ดีเสียสุขภาพจิตแล้วก็ไม่ได้ผลด้วยพะโมกแต่ทุกข์ซะยอดท้อนี่พอมองเป็นแบบฝึกหัดเป็นโอกาสในการฝึกตนเนี่ย พอเจออะไรยากก็ดีใจว่าเออได้แบบฝึกหัดี่แหละ เ, เจอปัญหาเจออะไรแต่อะไรก็ใจก็พร้อมก็มีสุขภาพจิตดีแล้วก็ทำให้ได้ผลดีแก่ชีวิตก็คือมีความเจริญงอกงามได้ฝึกตนยิ่งขึ้นไปก็พัฒนาไปเรื่อยในะข้อที่สองนี่ก็เป็นหลักสำคัญทางชีวิตในระหว่างคู่ครองกับกชีวิตที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นที่กว้างขวางออกไปนี่ก็ข้อที่สอง ธรรมะการฝึกตนต่อไปก็มีข้อที่สามในการฝึกตนในการเจริญก้าวหน้าบุกฝ่าไปในชีวิตเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันก็ต้องเจออุปสรรคเจอความทุกข์ยากลาบากแม้แต่มรสุมนะก็ต้องมีคุณธรรมอย่างหนึ่งก็คือความอดทนความอดทนนี่หมายถึงความเข้มแข็งความเข้มแข็งที่จะฝันฝ่าอุปสรรคไปข้างหน้าน ความอดทนเนี่ยมีสองแบบคืออดทนแบบตั้งรับกับอดทนแบบบุกฝ่าไปขานาตั้งรับนี่ก็หมายความว่าถ้ามันในโอกาสที่สมควรเราต้องมีความสามารถที่จะตั้งรับถ้าเปรียบเหมือนอย่างกับแผ่นดินบอกแผ่นดินนี่ใครจะทิ้งของดีของเสียมาฉลับได้หมดไม่ร้องอดครวนเลยนี่ยอันนี้ก็เป็นความอดทนแบบหนึ่งแบบพื้นแผ่นดิน น่ความอดทนอีกแบบหนึ่งท่านเปรียบเหมือนอย่างการชักศึกชากศึกก็หมายความว่ามีจุดหมายในการที่จะรบให้สาเร็จบุกฝ่าไปในสงครามเขายิงลูกศรเกาทันอาวุธอะไรต่างๆมาเนี่ยก็ต้องไม่ย่อมท้อทนต่อความเจ็บเป็นต้นบุกฝ่าไปข้างหน้าให้งานสาเร็จให้ได้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอดทนแบบเดินหน้า ก็ต้องมีขันติคือความอดทนทั้งสองแบบนี้คนเราจึงจะเดินไปในชีวิตได้หรือเหมือนอย่างกาของที่จะมาใช้ทำสิ่งต่างๆแม้แต่บ้า น, นเรือนี่เราจะใช้ไม้ก็ใช้ไม้ที่แข็งแรงทนทานทนน้ําทนแดดทนฝนเป็นต้นนี่คนเหล่านี้ก็สําคัญต้องมีความเข้มแข็งสามารถอดทนได้ในความอดทนของคนเนี่ยจะแสดงในลักษณะสามอย่าง คือหนึ่งอดทนต่อความลำบากตรากตรำเช่นการงานเมื่อทำการงานก็ต้องมีความลำบากตรักตรมบ้างนะบางทีจะต้องทนแดดทนฝนอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะแล้วก็ทนเรื่องของงานหนักบ้างนะหรือทนทำในเวลาที่มันยังไม่เสร็จจะต้องทำให้มันเสร็จก็ต้องพยายามสู้ ความลำบากตักตามอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีความอดทนก็คือความเข้มแข็งอดทนแบบที่หนึ่งทำให้ลุ่งร่วงไปได้อดทนอย่างที่สองก็คืออดทนต่อทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็คือความเจ็บปวดเมื่อยล้าทางร่างกายอย่างเจ็บไข้คนที่มีความอดทนก็ถ้าบอกให้อดทนไปตามเหตุผลก็หมายความว่าเราไม่วู่วาไม่โวยวายแล้วก็รักษาแก้ไขปัญหา นะไปตามเหตุผลไม่ใช่ทิ้งไว้ถ้าทิ้งไว้ท่านก็เรียกว่าประมาทไปแต่ว่ามันก็ต้องทําแต่ว่าไม่ใช่วู่วาวโวยวายก็กลายเป็นว่าทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่โดยไม่สมควรก็คนอดทนก็จะมีลักษณะอย่างนี้เข้มแข็งนะทนได้ก็นี่ทนต่อทุกขเวทนาบางทีเจ็บเมื่อยล้าอะไรตัวอะไรมันก็ต้องทนต่อไปก็ทนต่อสิ่งกระทบกระทั่งใจ สิ่งกระทบกระทั่งเช่นถ้อยคําวาจาการกิริยาของผู้อื่นอย่าว่าแต่คนอื่นเละคนอยู่ใกล้ชิดกันที่สุดเนี่ยคู่ครองกันเนี่ยก็มีเรื่องกระทบกระทั่งได้คนหนึ่งพูดมาอ้าวอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลยเนึกไม่ถึงว่า ไ, ไปกระทบใจอีกฝ่ายหนึ่งหรือการเคลื่อนไหวกิริยาการก็กระทบได้นี่ถ้าว่าเราไม่มีความอดทนมันก็เกิดเรื่องก็เรียกว่าวู้วายไปตามอารมณ์ อันนั้นก็ต้องแก้ไขโดยที่ว่ามีตัวเนี้ยตัวความอดทนมีความอดทนเข้มแข็งทนทานได้ตั้งรับไว้ได้ก่อนไม่เอาอารมณ์ขึ้นมาเป็นใหญ่เสร็จแล้วก็ใช้ปัญญาเอาข้อที่สองมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อจะให้เรื่องสงบเรียบร้อยลงไปได้ดีอันนี้เป็นเรื่องของขันติความอดทนก็ต้องใช้มากตลอดต่อไปก็ข้อที่สข้อที่สจากกะ แปลว่าความเสียสละแต่เราพูดในเชิงบวกว่าความมีน้ำใจพอพูดว่าเสียสละนี่มันความรู้สึกเชิงลบบางทีมันก็รู้สึกมันก็ต้องเสียแต่ถ้าพูดในทางบวกมันเป็นน้ำใจอย่างคู่ครองเนี่ยมีข้อนี้เป็นยังไงถ้าพูดในแง่เสียสละเช่นว่าพร้อมที่จะเสียสละความสุขของตนเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างนี้เรียกว่าเสียสละแหละ อย่างบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเขามีธุระมีเรื่องที่จะต้องให้เราช่วยเหลือถ้าเราตามใจตัวเองเราจะเอ า, เอาแต่ความสุขของตัวเองเราก็ไม่ร่วมมือนะีแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีน้ำใจเราก็พร้อมจะเสียสละความสุขของตัวเองเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งอยากเห็นเขาเป็นสุขนั่นเองคือตัวนี้มันก็มากับความรักที่แทนแหละความรักที่อยากให้เขาเป็นสุขพอคิดว่าอยากให้เขาเป็นสุขนะ มันก็ทําเพื่อเขาได้เพราะอยากให้เขาเป็นสุขแต่ว่าถ้าหากว่ามีแต่ความรักแบบว่าอยากให้ฉันเป็นสุขเราจะมาฉันว่าอยากทําให้คุณแล้ว <c oughs> ก็ต้องเสียสละไม่ได้มันก็ไม่มีน้ําใจนี้ถ้าเรามีตัวนี้เป็นหลักยืนอยู่ก็คือความอยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยมันลืมที่จะคิดถึงความสุขของตัวเองเนี่ยเพราะความสุขของตัวเองเหมือนกับไปฝากไว้กับอีกฝ่ายอยากให้เขาเป็นสุขเราก็ต้องรอว่าให้เขาเป็นสุขแล้วเราจึงเป็นสุขด้วยใช่ไหม พออยากให้เขาเป็นสุขเราไปต้องไปทำให้เขาเป็นสุขแล้วเราจึงสุขด้วยแล้วก็พร้อมที่จะทำเพื่อเขาอันนี้เขาอาจจะเจ็บไข้แม้แต่เล็กๆน้อยๆอา้าวมานอนเฝ้าเราก็ต้องยอออทหลับอดนอนก็เสียความสุขของเราแต่ถ้าเราอยากให้เขาเป็นสุขเราก็ทำได้เพราะเราอยากเห็นเขาเป็นสุขเราฝากความสุขไว้กับเขานี่รอให้เขาเป็นสุขเมื่อไรเราก็สุขด้วยนยอย่างี้มันก็หมดปัญหา นั้นอันนี้ก็เรียกว่าจากะคือความเสียสล ะ, ละก็ได้แก่การที่ยอมเสียสละความสุขของตนเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อความสุขของเขาคนที่คิดอย่างนี้แล้วก็มีน้ำใจอีกฝ่ายหนึ่งจะมีความซาบซึง้งแล้วก็จะทำให้เกิดความสดชื่นไม่แห้งแรงไม่โมยแย่งความสุขกนันนั่นก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้เราเรียกว่าน้ำใจความมีน้าใจ อยากให้เขาเป็นสุขยอมให้กับเขาได้อย่างพ่อแม่ก็เสียสละเพื่อลูกแม่แต่ตัวเองนะีอย่างได้ขนมมาตอนเด็กเล็กๆนะีลูกขอเอาหมดแม่ต้องยอมอดทั้งหมดเลยนะีแต่ก็อยากให้ลูกเป็นสุขก็ยอมได้ใช่ให้ลูกทั้งหมดเลยลูกอยากกินหมดก็ให้เขากินไปนะีถ้าพ่อแม่ไม่มีความรักแบบที่ว่าอยากให้ลูกเป็นสุขเนะี่ยพ่อแม่ก็ทําไม่ได้นะีก็ เอาแต่แค่สิทธิถ้าเธอมีสิทธิเท่านี้ฉันจาให้แค่นี้นะนะฮะเกิดสิทธิฉันไม่เอาแกไปฟ้องเอาวุกันนะลูกก็ต้องมาจดกันแหละถ้าเอาแต่สิทธินี่ก็ต้องคอยจดกันแหละนะคุณฝ่ายนั้นเขามีสิทธิแค่ไหนเร า, ามีสิทธิแค่ไหนอย่าล่ากันนะอะไรเนี่ยอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้แย่ใช่ไหมอันนั้นก็อย่าเอาแค่นั้นเลยต้องมีเรื่องตัวคุณธรรมมีเมตตามีความรักความปรารถนาดีอย่างที่ว่า อันนี้ก็คุณธรรมในสีอย่างก็ขอทวนอีกครั้งหนึ่งนนก็คือหนึ่งัจจะความจริงจริงใจซื่อสัตย์ต่อการจริงวาจาจริงทรรมตามที่พูดเนี่ยอะไรนี้แล้วก็สองมีธรรมะการรู้จักปรับตัวและปรับลงตนนะแล้วก็พัฒนาทำให้เจริญการ น, นางงอแงยิ่งขึ้นแล้วก็สามขันติความอดทนหมายถึงความเข้มแข็งทนทาน ที่จะรับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ที่จะบุกฝ่าไปเพื่อความเจริญงอกงามให้ถึงจุดหมายคือคำหนึ่งถึงจุดหมายเรื่องจุกจิกไม่เก็บเป็นสาระถ้าคนที่ไม่มีตัวนี้แล้วก็เที่ยเก็บเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาวุ่นวายไปหมดแต่คนที่เขามีใจอยู่กับจุดหมายเนี่ยเขาทําจุดหมายอะไรไม่เกี่ยวจุดหมายจุกจิกจุกจิเขาไม่ถือเป็นอารมณ์ มันก็ทํางานได้สําเร็จและก็อย่างที่ว่าจากะความมีน้ําใจหรือยอมเสียสละความสุขของตนเองเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้เมื่อมีคุณธรรม4ี่อย่างนี้ท่าเรียกว่ามีคารวะสธรรมมีธรรมสะสำหรับการครองเรือนก็จะทําให้ชีวิตครองเรือนเนี่ยมีความเจริญมั่นคงและมีความสุขนอกจากว่ามีความสุขในครอบครัวแล้วก็จะแผ่ความสุขไปให้แก่สังคมเป็นส่วนร่วม ที่สร้างสรรค์เพราะาเรามองว่าครอบครัวเนี่ยไม่ใช่แค่ชีวิตของคนภายในเริ่มแต่สามีพันยาเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่รวมทั้งลูกเท่านั้นแต่ว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสังคมย่อยๆหรือเป็นรากฐานเป็นฐานของสังคมสังคมทั้งหมดก็มาจากครอบครัวนะถ้าหากว่าแต่ละครอบครัวดีแล้วสังคมของเราจะดีอันนั้นจะมองในแง่นี้ครอบครัวสําคัญมาก เราต้องการให้สังคมประเทศชาติของเราจเจริญมั่นคงมีความร่มเย็นเป็นสุขก็ทําได้ได้ทําครอบครัวแต่ละครอบครัวนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นนักเรื่องของหน้าที่ของพ่อบ้านแม่บ้านโดยเฉพาะเมื่อเป็นวิดามันดาเพราะว่าเป็นผู้ที่จะสร้างโลกนพรมวิหารนี่ก็คือทำประจาใจของพระพรมพระพรม ศา ส, สนาพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นผู้สร้างโลกแต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปรอพระพรหมเทพเจ้าสร้างโลกละคนนี้แหละเป็นผู้สร้างโลกแล้วโดยเฉพาะก็คนที่สําคัญก็คือบิดามารดาเป็นผู้สร้างโลกเพราะโลกจะเป็นยังไงเนี่ยเริ่มตั้งแต่สร้างครอบครัวให้ดีถ้าสร้างครอบครัวดีแล้วเนี่ยเราจะได้สังคมที่ดีและโลกนี้จะร่มเย็นเป็นสุขโลกของมนุษย์ก็คือสังคมมนุษย์นี่เองว่าโลก มนุษย์สังคมมนุษย์ก็เกิดจากการสร้างของมนุษย์เองมนุษย์ที่ดีก็จะสร้างโลกที่ดีล่าสร้างสังคมที่ดีสังคมที่ดีก็มาจากครอบครัวที่ดีนันตอนนี้ก็ต้องมองอันนี้ด้วยที่ว่าเริ่มชีวิตครอบครัวเริ่วมชีวิตสมรสก็คือเริ่มอันเนี้ยเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมที่สําคัญก็คือการที่จะต้องสร้างครอบครัวที่ดีงามมีความสุขความมั่นคงขึ้นให้ได้เนี่ย ก็เหมือนกับว่ามันท้าทายเราอยู่ในบทนี้แหละเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยจะต้องทำภารกิจนี้ให้สาเร็จนะก็จึงได้บอกว่าการสมรสนี้ไม่ใช่เป็นการมามีชีวิตคู่ครองเท่านั้นแต่หมายถึงการได้มาร่วมกำลังกันในการทาการสร้างสารรค์เช่นสร้างสังคมเป็นต้นหรือมีจุดหมายที่ดีงา ม, ม อ, อื่นๆเรามาร่วมมีกำลังร่วมกันมาทำนะ อย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะมองกว้างแล้วมองไกลไม่ใช่มองอยู่แค่ชีวิตสองคนใครจะได้ยังไงจะเสียไงว่าอย่างนี้มันเป็นเรื่องปลีกย่อยอย่ามัวคิดเลยเราทําไงจะสองคนเนี่ยจะมารวมกําลังกันทําการสร้างสารรค์ทิวะมีจุดหมายที่ดีเพื่อชีวิตเพื่อสังคมเรามองไปข้างหน้าแล้วมารวมกําลังกันสร้างสารรค์อย่างที่ว่าในระหว่างนี้เราก็พัฒนาชีวิตของเราไปนะีเพราะชีวิตของมนุษย์นั้น ทางพระนั้นถือว่าชีวิตคือการศึกษาเพราะคนเรานี่มีชีวิตยอยู่ทําไมชีวิตจึงเป็นการศึกษาเราจะมีชีวิตยอยู่ได้เนี่ยเราต้องพบเห็นประสบการณ์ใหม่ตาแล้วก็เห็นสิ่งใหม่หูแล้วก็ได้ ย, ยินสิ่งใหม่เราเดินไปเจอสิ่งใหม่ไปสถานที่ใหม่พบสถานการณ์ใหม่ชีวิตของคนเราก็อย่างเนี้ยพอเราเห็นสิ่งใหม่เจอสถานการณ์ใหม่เป็นไงแล้วก็ต้องคิดหาทางปฏิบัติต่อสิ่งนั้น เราต้องเรียนรู้มันต้องปฏิบัติต่อมันแก้ไขปัญหาปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้เดินไปได้ดีการทําอย่างนี้เรียกว่าการศึกษาทั้งสิน้นเพราะนั้นที่ชีวิตที่เราเป็นอยู่ได้เนี่ยต้องศึกษาตลอดเวลาแล้วชีวิตของเราที่ดีก็ประเสริฐได้ก็ด้การศึกษาหรือการฝึกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจึงมีคติมาตลอดเราพูดกันมาในสังคมไทยว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ แต่ว่าคําพูดของเรานี่เป็นคําพูดที่พูดง่ายๆเราตัดข้อความอีกสัมอันหนึ่งที่สําคัญทิ้งไปคือคําเต็มนะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกนะถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่นะมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นสัตว์ที่อยู่ดีๆประเสรเิฐหรอกทางพระท่านไม่ได้ยอมให้เลยว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะมนุษย์ที่ไม่ฝึกแย่ที่สุด นมนุษย์ที่ไม่มีการฝึกเนี่ยเป็นสัตว์ที่แย่ที่สุดกว่าสัตว์ใดๆทั้งสิน้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกอันนี้เป็นหลักพระาศาสนาเพราะนั้นจึงมีพุทธพจน์ว่าทันโตเสร็จโธมนุษย์เสสุแปลว่าในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐหรือผู้ที่ฝึกแล้วจึงประเสริฐฝึกก็คือศึกษาไดพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้นมนุษย์เหล่านั้น เป็นสัตว์ที่ว่าถ้าไม่ฝึกไม่ศึกษาแล้วอยู่ไม่รอดไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่อยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณ น, นี่มนุษย์เราก็เอาดีได้การฝึกด้วยการศึกษาเรียนรู้นะีแม้แต่จะนั่งจะยืนจะเดินรับประทานอาหารเนี่ยมนุษย์ต้องเรียนทางนั้นต้องฝึกเท่านั้นไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นนั้นมนุษย์นี่ฝึกได้และต้องฝึกเมื่อเราอยู่ไปเราฝึกเราก็สามารถเป็นสัตว์ที่ประเสริฐจริงๆเป็นมหาบุรุษก็ได้ เป็นนักประดิษฐ์คนควาเป็นอะไรก็ได้เป็นนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีเป็น เ, เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังได้เลยถ้าฝึกดีขึ้นขณะนนมนุษย์เนี่ยจะได้แค่ไหนอยู่ที่การฝึกตัวเองเพราะนั้นการมีชีวิตคู่ครองครอบครัวเนี่ยเป็นชีวิตที่เรารับผิดชอบตัวเองและเป็นเวลาส่วนสาคัญที่จะฝึกฝนพัฒนาชีวิตตนเองนั่นก็ต้องมอง เรื่องของการแต่งงานเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ว่าเมื่อกี้ไม่ใช่แค่าการมีชีวิตคู่ครองแต่หมายถึงการมารวมกำลังการทำการสร้างสรรค์ตั้งจุดหมายอะไรก็ตามขึ้นแล้วก็มารวมกำลังการทำสิ่งนั้นใจของเราก็จะมองกว้างและมองไกลออกไปแล้วเราจะไม่ถือสาเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็มีคุณธรรมคือความรักที่มีต่อกันที่อยากให้กันเป็นสุข แล้วก็ตอบไปก็ขยายไปอยากให้คนอื่นเป็นสุขอยากให้เพื่อนมนุษย์อยากให้คนทั้งโลกเป็นสุขเราทําได้กระทั่งเพื่อนโลกเพื่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็ใช้ครอบครัวนั้นเป็นโอกาสหรือเป็นจะว่าเป็นสนามฝึกก็ได้นะเป็นสนามฝึกในการพัฒนาตัวเองให้ชีวิตของเราดีงามเมื่อชีวิตของเราดีงามฝึกตัวเองขึ้นไปเราก็ยิ่งทําเพื่อผู้อื่นทํา เพื่อประโยชน์ส่วนรวมทําการสร้างสารรค์ได้ดียิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็เอื้อต่อกันในการนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมการรวมแล้วก็มาอยู่ที่หลักขรวัสธรรมสี่ประการที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรจะประพฤติปฏิบัติให้ได้ก็ขอลงท้ายในการเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งว่าการเปรียบเทียบการแต่งงานนี้เหมือนกับสองคนเนี่ยมาร่วมกันปลูกต้นไม้ขึ้นต้นหนึ่ง ต้นไม้นี้เป็นต้นไม้มงคลสมรสซึ่งเราปลูกเราก็แน่นอนต้องมุ่งหมายว่าให้ต้นไม้นีจเจริญเติบโตงอกงามอันนี้คุณสมบัติของต้นไม้ที่ดีที่จเจริญงอกงามอันเนี้ยมีสี่อย่างข้อที่หนึ่งก็คือมีรากแก้วที่แข็งแรงที่จะให้ต้นไม้ดำรงอยู่ได้แล ะ, จะเจริญได้ก็ต้องมีรากแข็งแรง อันนี้ข้อที่หนึ่งท่านเปรียบกับสัจจะคือความจริงนั่นเองว่าถ้าหากว่าขัดสัจจะขาดตัวความจริงเริ่มแต่ความจริงใจแล้วงอนแงนหมดเลยอะไรต ะ, ะไรโรเลมันเดินหน้าไปไม่ได้ต่อไปข้อที่สองก็คือต้นไม้นี้มีศักยภาพแห่งความเจริญงอกงามเนี่ยที่จะเจริญขึ้นไปจกนกระทั่งเต็มสมบูรณ์เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ ที่สมบูรณ์นอันนี้เรียกว่าธรรมะนั่นเองศักยภาพในการเจริญงอกงามคือความรู้จักความสามารถในการปรับตัวและปรับปรุงพัฒนาตนเองนี่สองแล้วก็สามก็มีความแข็งแรงทนทานที่จะอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมบางทีมันไม่เอื้อเช่นอากาศร้อนอากาศเย็นนี่แม้กระทั่งลมพายุลมมรสุม แล้วก็มีพวกพืชพวกสัตว์ที่มากัดมาแทะอะไรต่างๆเหล่านี้แนวหนอนมาใช้บางอะไรบ้างพเพลียเพอันนี้ก็ต้องมีขันติความแข็งแรงทนทานอันนี้ข้อที่สคือขันตนะิก็ต้องมีคุณสมบัติอันนี้สู้ได้หมดมลสุมอะไรต่างๆมามลสุมสังคมมลสุมชีวิตมาต้องสู้ได้มีความเข้มแข็งนะแล้วก็สมีน้ําหล่อเลี้ยง บริบูรณนะ์ซึ่งจะทําให้ต้นไม้สดชื่นแข็งแรงเขียวขจีใบก็พลังพร้อมเขียวมีดอกมีผลสพรั่งนะซึ่งไปความสมบูรณ์ของต้นไม้อันนี้ก็จะทําให้เกิดผลดีแก่ต้นไม้เองต้นไม้ก็สมบูรณ์แล้วคนอื่นมาเห็นก็พลอยสบายใจด้วยคนอื่นเดินมาเห็นต้นไม้ต้นนี้ใบเขียว สะพรั่งดอกก็สวยงามผลก็มีเน่เขาก็ชื่นใจคนอื่นก็สดชื่นเหมือนครอบครัวที่มีความสุขคนอื่นเห็นก็ปลอยสบายใจมีความสุขไปด้วยแล้วยังได้อาศัยเดือดอีกด้วยต้นไม้นี้แข็งแรงใบสะพรั่งดีคนเดินมาเหนื่อยร้อนแดดก็ได้เข้ามานั่งในร่มไม้อาศัยและยังมีดอกให้ชื่นชมแลวยังมีผลให้ ได้กินแก่หิวด้ว ย, เ, ยเกิดว่าเขาหิวขึ้นมาก็ได้อาศัยผลไม้ในกินอีกแล้วก็เผื่อแผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่นกับสังคมนี่แหละต้นไม้ที่เจริญงอกงามสมบูรณ์ข้อที่สี่ก็คือจากคะความมีน้ำใจความรู้จักเสียสละการเห็นแก่ความสุขของผู้อื่นทั้งแก่คู่ครองและแก่เพื่อนมนุษย์อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ดีที่สมบูรณ์เป็นอุดมคติเราก็ มาแต่งงานก็คือเริ่มปลูกต้นไม้ต้นเนี้เราจะต้องพยายามดูแลรักษาและบํารุงให้ต้นไม้ต้นเนี้จเจริญ ง, งอกงามให้มีคุณสมบัติสี่ประการนี้ได้ต่อไปต้นไม้นี้ก็อย่างที่ว่าเป็นส่วนร่วมของสังคมที่ดีว่าจะได้ช่วยให้เกิดความสุขความสุขในครอบครัวและแผ่ความสุขไปให้แก่ผู้อื่นในสังคมก็อย่างดีทีเดียวก็วันนี้ก็ขอ วัวช้ให้พรแก่คุณพิญญาและก็คุณพิสเตียนในโอกาสมงคล น, นี้ก็ขอมอบเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เป็นธรรมมงคลเพราะเราได้มาประกอบพิธีมงคลแล้วก็ขอให้ได้ครบทั้งสองอย่างนะให้ได้ทั้งพิธีมงคลและธรรมมงคลแล้วตัวเองก็จะรู้สึกว่าเออวันนี้เราได้ทําการมงคลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แต่อย่างที่กล่าวแล้วว่าธรรมมงคลนี้ไม่ใช่เฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่จะต้องทำตลอดชีวิตเลยเพราะนั้นธรรมมงคลนี้ไม่จบแค่วันนี้พิธีมงคลจบ ก, ก็อยู่ในความระลึกความทรงจำแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นเตือนว่าเราจะต้องสร้างธรรมมงคลกันต่อไปในโอกาสอันเป็นมงคลนี้อาตอมาในานามของพระสงฆ์ ก็ขอร่วมตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาธรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ของคู่บ่าวสาวและก็ท่านผู้ใหญ่ญาติมิตรผู้หวังดีปรารถนาดีทุกท่านอวยชัยให้พรแก่คุณพิญญาและคุณคริสเตียนก็ขอคุณพระรัตนตรยัยอภิบาลรักษาให้ทั้งสอง จเจริญงอกงามด้วยจกตุรพิทพพรชัยมีกําลังกายกําลังใจกําลังปัญญากําลังความสามคัคคีที่จะดำเนินชีวิตทำกิจการงานต่างๆให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายมีชีวิตที่อบอุ่นผาสุขมั่นคงยั่งยืนพรั่งพร้อมด้วยธรรมะ ทั้งสี่ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วเราเป็นส่วนที่จะเพื่อแผ่ความสุขความร่มเย็นให้แก่สังคมนี้กว้างขวางออกไปก็ขอให้มีความเจริญวัฒนาในสัพพะมิ่งมงคลทั้งหลายยังประโยชน์แก่ชีวิตของตนของครอบครัวของสังคมและหมู่มนุษย์ทั้งหมดให้สำเร็จ และมีความเจริญเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการทุกเมื่อเธอ